เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องช่วยขโมยเรื่องนี้เก็บมาจากเกรดชีวิตสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสี เวลาจำวัดอยู่ในกุฏิของท่านที่วัดระฆังนั้นเจ้าขโมยเจาะพื้นกุฏิล้วงเอาข้าวของที่วางเกลื่อนไว้เจ้าขโมยล้วงไม่ถึงท่านก็ช่วยเอาไม้เขี่ยของของนั้นเข้าไปให้ใกล้มือขโมยเจ้าขโมยลักเข็นเรือใต้ถุนกุฏิท่านท่านก็เปิดหน้าต่างสอนขโมยว่าเข็นเบาๆหน่อยจ้า ถ้าดังไปพระท่านได้ยินเข้าท่านจะตีเอาเจ็บเปล่าจ้ะเข็นเรือบนที่แห้งเขาต้องเอาหมอนรองข้างท้ายให้โด่งก่อนจ้ะถึงจะกลิ้งสะดวกดีเรือก็จะไม่ช้ำไม่รั่วจ้ะเจ้าขโมยเกรงใจไม่กล้าเข็นต่อไป